ก็วิทุระบัณดิตนั้นมีความดำริแห่งใจอันไม่หดหูได้กล่าวกับบุตรธิดาญาติมิตรและเพื่อนสนิทว่าแน่ลูกรักทั้งหลายลูกทั้งหลายจงมานั่งฟังราชวัสดีธรรมอันเป็นเหตุให้บุคคลผู้เข้าไปสู่ราชสกุลได้ยศผู้เข้าไปสู่ราชสกุลพระราชายังไม่ทรงทราบความสามารถ ย่อมไม่ได้ยศราชสเสวกไม่ควรกล้าเกินไปไม่ควรขาดเกินไปควรเป็นผู้ไม่ประมาทในการไห น, ไหนเมื่อใดพระราชาทรงทราบความประพฤติปกติปัญญาและความบริสุทธิ์ของราชสเสวกนั้นเมื่อนั้นย่อมทรงวางพระทัยในราชสเสวกนั้นและไม่ทรงรักษาความลับต่อราชสเสวกนั้น ราชสเสวกอันพระราชาตรัสใช้ไม่พึงหวั่นไหวด้วยอำนาจฉันทาคติเป็นต้นดังตราชูที่บุคคลประคองให้มีคันเสมอเที่ยงตรงดีฉะนั้นราชสเสวกนั้นพึงอยู่ในราชสำนักได้ราชสเสวกพึงตั้งใจกระทําราชกิจทุกอย่างให้เสมอต้นเสมอปลายดังตราชูที่บุคคลประคอง ไม่มีคันเสมอเที่ยงตรงดีฉะนั้นราชเสวกนั้นพึงอยู่ในราชสำนักได้ราชเสวกต้องเป็นคนฉลาดในราชกิจอันพระราชาตรัสใช้กลางวันหรือกลางคืนก็ตามไม่พึงหวาดหวั่นในการกระทำราชกิจนั้นๆราชเสวกนั้นพึงอยู่ในราชสำนักได้ราชเสวกต้องเป็นคนฉลาดในราชกิจ อันพระราชาตรัสใช้กลางวันหรือกลางคืนก็ตามพึงตั้งใจกระทำราชกิจทุกอย่างราชสเสวกนั้นพึงอยู่ในราชสำนักได้ทางใดที่เขาตกแต่งไว้เรียบร้อยดีสำหรับเสด็จพระราชดำเนินถึงพระราชาทรงอนุญาตราชสเสวกก็ไม่ควรเดินโดยทางนั้นราชสเสวกนั้นพึงอยู่ในราชสำนักได้ ราชาสเสวกไม่พึงบริโภคสมบัติที่น่าใคร่ทัดเทียมกับพระราชาในการไหนไหนควรเดินตามหลังในทุกสิ่งทุกอย่างราชาสเสวกนั้นพึงอยู่ในราชาสำนักได้ราชาสเสวกไม่ควรใช้สอยประดับประดาเสื้อผ้ามาลาเครื่องรูปไล้ทัดเทียมกับพระราชาไม่พึงประพฤติอากับกิริยา หรือพูดจาทัดเทียมกับพระราชาควรทำอากับกิริยาเป็นอย่างอื่นราชสเสวกนั้นพึงอยู่ในราชสำนักได้เมื่อพระราชาทรงพระสรําราญอยู่กับหมู่อมรรดอันพระสนมกำนันในเฝ้าแหนอยู่เสวากามารดเป็นคนฉลาดไม่พึงทำการทอดสนิทในพระสนมกำนันใ น, ร, น, น, น, ในราชสเสวกไม่ควรเป็นคนฟุ้งซ่าน ไม่ขนองกายวาจามีปัญญาเครื่องรักษาตนสำรวมอินทรีย์ถึงพร้อมด้วยการตั้งใจไว้ดีราชสเสวกนั้นพึงอยู่ในราชสำนักได้ราชสเสวกไม่ควรเล่นหัวเจรจาปราศัยในที่ลับกับพระสนมกำนันในไม่ควรถือเอาทรัพย์จากพระคลังหลวงราชสเสวกนั้นพึงอยู่ในราชสำนักได้ ราชสเสวกไม่พึงเห็นแก่การหลับนอนมากนักไม่พึงดื่มสุราจนเมามมยไม่พึงฆ่าเนื้อในสถานที่พระราชทานอภัยราชสเสวกนั้นพึงอยู่ในราชสำนักได้ราชสเสวกไม่พึงขึ้นร่วมพระตังราชบัลังพระราชอาดเรือและรถพระที่นั่งด้วยอาการทนงตนว่าเป็นคนโปรดปราน ราชสเวสวกนั้นพึงอยู่ในราชสำนักได้ราชสเวสวกต้องเป็นผู้มีปัญญาเครื่องพิจารณาไม่ควรเข้าเฝ้าให้ไกลนักใกล้นักควรยืนเฝ้าพอให้เท้าเธอทอดพระเนตรเห็นถนัดในสถานที่ที่พอจะได้ยินพระราชดำรัสเบื้องพระพักของพระราชาราชสเวสวกไม่ควรทำความวางใจว่าพระราชาเป็นเพื่อนของเรา พระราชาเป็นคู่หูของเราพระราชาทั้งหลายย่อมทรงพิโรธได้เร็วไวเหมือนในตาอันผงกระทบราชสวเวกไม่ควรสำคัญตนว่าเป็นนักปราดเป็นราชบัณฑิตพระราชาทรงบูชาไม่ควรเพชรทูลถ้อยคำหยาบคายกะพระราชาซึ่งประทับอยู่ในราชบริษัทราชสวเวกผู้ได้รับพระราชทานพระทวารเป็นพิเศษ ไม่ควรวางใจในพระราชาทั้งหลายพึงเป็นผู้มีสติดํารงตนไว้เหมือนอยู่ใกล้ไฟราชสเสวกนั้นพึงอยู่ในราชสำนักได้พระเจ้าอยู่หัวจะทรงยกย่องพระราชโอรสหรือพระราชวงศ์ของพระองค์ด้วยบ้านนิคมแว่นแคว้นหรือช น, นบทราชสเสวกควรนิ่งดูก่อนไม่ควรเพช ท, ทูนคุณหรือโทษ พระราชาจะทรงปูนบำเหน็จรางวัลให้แก่กรมช้างกรมเม้์กรมรถกรมเดินเท้าตามความชอบในราชการของเขาราชสเสวกไม่ควรทัดทานพวกเขาราชสเสวกนั้นพึงอยู่ในราชสำนักได้ราชสเสวกผู้เป็นนักปราชญ์พึงโอนไปเหมือนคันธนูและพึงไหวไปตามเหมือนไม้ไผ่ ไม่ควรทูลทัดทานราชาสเสวกนั้นพึงอยู่ในราชาสำนักได้ราชาสเสวกพึงเป็นผู้มีท้องน้อยเหมือนแหลงธนูพึงเป็นผู้ไม่มีลิ้นเหมือนปลาพึงเป็นผู้รู้จักประมาณในโภชนะมีปัญญาเครื่องรักษาตนแ ก, แกล้าราชาสเสวกนั้นพึงอยู่ในราชาสำนักได้ราชาสเสวกไม่พึงสัมผัสหญิงนัก ซึ่งเป็นเหตุให้สิ้นเดชผู้สิ้นเดชย่อมเกิดโรคไอโรคหืดความกระวนกระวายความอ่อนกำลังสิ้นปัญญาราชาสเสวกไม่ควรพูดมากเกินไปไม่ควรนิ่งทุกเมื่อเมื่อถึงเวลาพึงเปล่งวาจาพอประมาณไม่พร่ำเพื่อเป็นคนไม่มักโกรธไม่กระทบกระเทียบเป็นคนพูดจริงอ่อนหวานไม่ส่อเสียด ไม่ควรพูดถ้อยคำเพ้อเจอ้อราชาสเวเอกนั้นพึงอยู่ในราชสำนักได้ราชาสวเวกพึงเลี้ยงดูมารดาบิดาพึงประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในสกุลเป็นคนอ่อนโยนพูดจาสละสลวยราชาสเวเอกนั้นควรอยู่ในราชสำนักได้ราชาสเวเอกพึงเป็นผู้ได้รับคำแนะนำดีแล้วมีศิลปะ ฝึกฝนแล้วเป็นผู้ทำประโยชน์เป็นผู้คงที่อ่อนโยนไม่ประมาทสะอาดหมดจดเป็นคนขยันราชสวเวกนั้นควรอยู่ในราชสำนักได้ราชสเวเอกพึงเป็นผู้มีความประพฤติอ่อนน้อมมีความเคารพยำเกรงในท่านผู้เจริญเป็นผู้สงบสงเง่ยมมีการอยู่ร่วมเป็นสุขราชสเวเอกนั้น ควรอยู่ในราชสำนักได้ราชสเสวกพึงเว้นให้ห่างไกลซึ่งทูตที่ส่งมาเกี่ยวด้วยความลับพึงดูแลแต่เจ้านายของตนไม่ควรพูดเรื่องลับในสำนักของพระราชาอื่นราชสเสวกพึงเข้าหาสมาคมกะสมณะและพราหมณ์ผู้มีศีลเป็นพหูสูตรโดยเคารพ ราชาสเสวกนั้นควรอยู่ในราชาสำนักได้ราชาสเสวกเมื่อได้เข้าหาสมาคมกะสมณะและพรามผู้มีศีลเป็นพหูสูตรแล้วพึงสมาทานรักษาอุโบสถศีลโดยเคารพราชาสเสวกนั้นควรอยู่ในราชาสำนักได้ราชาสเสวกพึงบำรุงเลี้ยงสมณะและพรามผู้มีศีลเป็นพหูสูตรด้วยข้าวและน้ำ ราชสเสวกนั้นควรอยู่ในราชสำนักได้ราชสเสวกผู้หวังความเจริญแก่ตนพึงเข้าไปสมาคมคบหากะสมณะและพรามผู้มีศีลเป็นพหูสูตรมีปัญญาราชสเสวกไม่พึงทําทานที่เคยพระราชทานในสมณะพรามให้เสื่อมไปอันหนึ่งเห็นพวกวณิพกซึ่งมาในเวลาพระราชทาน ไม่ควรห้ามอะไรเลยราชาสเสวกพึงมีปัญญาสมบูรณ์ด้วยความรู้ฉลาดในวิธีจัดการราชกิจรู้จักการรู้จักสมัยราชาสเสวกนั้นควรอยู่ในราชาสำนักได้ราชาสเสวกพึงเป็นคนขยันหมั่นเพียรไม่ประมาทมีปัญญาสอดส่องพิจารณาในการงานที่ตนพึงทา จัดการงานให้สำเร็จด้วยดีราชสเสวกนั้นควรอยู่ในราชสำนักได้อันหนึ่งราชสเสวกพึงไปตรวจตราดูลานข้าวสาลีปัสุสัตว์และนาเสมอเสมอพึงตวงข้าวเปลือกให้รู้ประมาณแล้วให้เก็บไว้ในช้างพึงนับดูบริวารชนในเรือนแล้วให้หุงต้มพอประมาณ ไม่ควรตั้งบุตรธิดาพี่น้องหรือวงญาติของตนผู้ไม่ตั้งอยู่ในศีลให้เป็นใหญ่เพราะคนเหล่านั้นเป็นคนผ่านไม่จัดว่าเป็นพี่น้องคนเหล่านั้นเป็นเหมือนคนที่ตายไปแล้วแต่เมื่อเขาเหล่านั้นมาหาถึงสำนักก็ควรให้ผ้านุ่งห่มและอาหารควรตั้งพวกทาาหรือกรรมกรผู้ตั้งมั่นอยู่ในศีล เป็นคนขยันหมั่นเพียรให้เป็นใหญ่ราชสวกพึงเป็นผู้มีศีลไม่โลภมากพึงประพฤติตามพระราชาประพฤติประโยชน์แก่พระราชาทั้งต่อหน้าและรับหลังราชสเวเอกนั้นควรอยู่ในราชสํานักได้ราชสวกพึงเป็นผู้รู้จักพระราชอัธยาศัยและพึงปฏิบัติตามพระราชประสงค์ ไม่ควรประพฤติขัดต่อพระราชประสงค์ราชาสเสวกนั้นควรอยู่ในราชาสำนักได้ราชาสเสวกพึงก้มศีรษะลงชำระพระบาทในเวลาผลัดพระภูษาสงและในเวลาสงสนานแม้ถูกกลิ้วก็ไม่ควรโกรธตอบราชาสเสวกนั้นควรอยู่ในราชาสำนักได้บุรุษผู้หวังความเจริญแก่ตน พึงกระทำอัญชลีในหม้อน้ำและพึงกระทำประทักษิณแม้นกแอนลมได้ฉะไหนเล่าเขาจักไม่พึงนอบน้อมพระราชาผู้เป็นนักปราดสูงสุดผู้พระราชทานสมบัติอันหน้าใคร่ทุกอย่างให้เพราะพระราชาพระราชทานที่นอนผ้านุ่งผ้าห่มยวดยานที่อยู่อาศัยบ้านเรือนยังโพคะสมบัติให้ตกทั่วถึง เหมือนมหาเมฆยังน้ำฝนให้ตกเป็นประโยชน์แก่หมูสัตว์ทั่วไปฉะนั้นแน่เจ้าทั้งหลายนี้ชื่อว่าราชวัสดีธรรมเป็นอนุสาสสำหรับราชสเสวกกนรชนประพฤตตามย่อมยังพระราชาให้โปรดปรานและย่อมได้การบูชาในเจ้านายทั้งหลายราชวัสดีกันจบ